ธรรมบรรยายเรื่องเธอคือสันติโดยฮันววชิราเมธีบรรยายนะธรรมสภาสุนิปสนาสากลไรเชินตะวันตำบลห้วยศักด์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2558 ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดตั้งใจฟังด้วยความเครารพนับบัดนี้คนที่มีสติไปไหนไม่ทำร้ายใครหรอกจะพูดจาๆก็ไม่ทำให้ใครเจ็บทุกวันนี้โลกมี UN เห็นไหมเห็น UN มอมแล้วมันเกิดอะไรขึ้น UN เอทำอะไรสงครามตอนนี้ซีเรียเห็นไหมรัสเซียถล่มายวันถามว่า UN เอ็ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่าง UN ก็ทำประโยชน์ได้น้อยมีหน้าที่จัดประชุมเพื่อที่จะจัดประชุมไม่ได้ผลอะไรหรอกเพราะอเมริกาไม่ฟังอันนี้จีนก็เอาอาวุธใหม่ออกมาสแสดงเมื่อวานนี้สงครามโลกทั้งที่สามมันเกิดแน่นอนอะ มันเกิดแล้วล่ะตอนนี้มันรอปรกากสักครั้งหนึ่งซึ่งอเบิร์ไอสไตล์พูดเอาไว้ว่าผมไม่รู้นะว่าสงครามโลกครั้งที่สามน่ยเราจะสู้กันด้วยอาวุธอะไรแต่ผมเดาได้ว่าสงครามโลกครั้งที่สี่ถ้ารบกันนะเราจะรบกันด้วยก้อนดินและท่อนไม้รายไหมแสดงว่าครั้งที่สามนี่มันซัดกันจนไม่เหลือเหล็กไม่เหลือระเบิดแล้ว ครั้งที่สเนี่ยไอ้แตตายพูดไว้เลยว่าเราจะลบกันด้วยก้อนดินและท่อนไม้จริงไหมนี่คือมนุษย์ฉะนั้นยูเอตอนนี้ก็มีประโยชน์น้อยไม่มีใครฟังเลยซั์กันตุม้มตามตุม้มตามตลอดเวลาแต่และประเทศก็ซ้อมรบกันเกาหลีเหนือก็ซ้อมรบจีนก็โชว์อาวุธฉะนั้นสันติภาพที่แท้จริงมันไม่ได้เกิดเพราะว่าเรามีองค์กรหลักๆอย่างองค์การสหประชาชาติ่ะฉะนั้นการที่เรามาฝึกอย่างนี้ ฝึกเจริญสตินี่คือเรามาฝึกทำตนเป็นบุคคลแห่งสันติภาพเราคือ p พีซแมคเกอร์ตัวจริงเสียงจริงเราไม่ควรจะไปฝากสันติภาพไว้กับองค์กรใหญ่ๆ ใ, ในระดับโลกพวกเราต่างหากคนเล็กคนน้อยอย่างพวกเราต่างหากที่จะทำหน้าที่คืนความสุขให้ตัวเองได้ที่จะทำหน้าที่สร้างสันติภาพให้กับโลกนี้ได้การฝึกเจริญสติ การกลับ ม, มาตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะในทุกอิรยาบทในทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดทุกอิรยาบทที่เคลื่อนไหวกิจกรรมเหล่านี้แหละคือหลักประกันของสันติภาพในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสว่าเราแต่ละคนก็คือโลกหนึง่งใบ ถ้าเราแต่ละคนมีสันติในเรือนใจโลกหนึ่งใบนี้ก็เป็นโลกที่มีสันติภาพและเราแต่ละคนผู้มีสติก็คือ peace maker ก็คือบุคคลแห่งสันติภาพฉะนั้นสันติภาพของโลกนนมันขึ้นอยู่กับสันติภาพของเราทุกคนนะสันติในเรือนใจจึงกลายเป็นหลักประกันของสันติภาพโลกพระอาจารย์มีเรื่องเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟัง เมื่อหลายปีก่อนมีองค์กรหนึ่งในเอเชียนิยมนต์พระจันทร์ไปรับรางวัลการศึกษาพเพื่อสันติภาพมาจากทั่วโลก26ประเทศประเทศละหนึ่งคนการมอบรางวัลจริงๆกินเวลาไม่กี่นาทีนะแต่กระบวนการทั้งหมดเขาจะเชิญพูดได้รับรางวัลทั้งหมด ไปทำกิจกรรมร่วมกันหนึ่งอาทิตย์สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่ารางวัลก็คือเครือข่ายคนทํางานเพื่อสันติภาพโลกฉะนั้นเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมน่ยแต่ละคนซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละประเทศก็จะมีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วทั้งโลกเหตุการณ์ที่เราใจที่สุดคือคืนวันสุดท้ายที่เราจะต้องรับรางวัล ในโรงละครแห่งชาติของฟิลิปปินส์มีประธานาธิบ ด, ดีมีนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีมีทูตานูทูตของทุกประเทศในประเทศนั้นสสสวมานั่งเต็มมากกว่าสามพันที่นั่งในห้องนั้นแล้ว เขาก็จะเชิญแต่ละคนแต่ละคนนะนั่งเรียงตามลำดับตัวอักษร A ถึงแเอามารับรางวัลพระอาจารย์ก็เกือบสุดท้ายนั่งติดกับอเมริกาก่อนจะรับรางวัลเนี่ยทุกคนต้องกล่าวสุนทรพจน์คนละ3นาทีพระอาจารย์เด็กสุดไม่มีใครสนใจว่าเราทำอะไร คำทักทายตลอดงานก็คือทำไม่เด็กจังทุกคนที่ทยอยลุกไปรับรางวัลนะเตรียมสุนทรพจน์อะไรทุกคนนั่ง บ, บางคนก็ท่องบางคนก็ดูโพยแล้วเราเป็นพระอยู่รูปเดียวความถนัดของเราคือถ้าเตรียมพูดได้ไม่ดีถ้าให้ดีต้องไม่เตรียมพอขึ้นไปนั่งจริงๆนะคนข้างขวา คนข้างซ้ายอัตมภาพนั่งติดกับคนหนึ่งมาจากอินเดียหลานของท่านมหาตรรมคันธีโอ้โหเขียนโพยออกมาลายพร้อยเลยถัดจากเราอเมริกานี่ก็เป็นสอวอเป็นเพื่อนของท่านบารักโอบามาดําม่ม่เลยน่ารักมากยิ้มทีก็เห็นฟันขาวสว่างโอ้โหอัธยาศัยเมตรีดีมากทุกคนก็มีโพยอยู่ในมือหมดทำเอาเราประมา เพราะทุกคนไปพูดในนามประเทศอะไรที่เราเตรียมว่าจะพูดเนื่องจากเรานั่งท้ายใช่ไหมมีคนพูดหมดพูดพูดพูดสิ่งที่เราเตรียมเราเตรียมเรื่องนี้ไหมเดี๋ยวคนนี้ขึ้นมาพูดอ่าพูดแทนไล่มาไล่มาไล่มาไล่มาจนจะไม่เหลือเรื่องให้อัตมาภาพพูดอยู่แล้วเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่อัตมากังวลที่สุดไม่ใช่การออกไปยืนพูดสามนาทีกังวลที่สุดก็คือ ทุกคนที่จะออกไปรับรางวัลตรงกลางเวทีนั้นจะมีพิตตีสองคนมาเชิญนุิงน้อยห่มน้อยนะเขาจะมาคล้องแขนแต่ละคนเรานี่คิดหนักเลยมันจะยังไงขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วมันไม่มีตัวช่วยแล้วอะเราคิดในใจว่าโอ้ทีมงานเรานนักข่าวที่ตามเราไปช่วยเป็นกระซิบหน่อยได้ไหมว่า ไม่ต้องใช้พิตีสำหรับพระแล้วก็คล้องมาตามลำดับตามลำดับตามลำดับแล้วพอถึงอัตมาภาพปุ๊บสงสัยจะมีน้องนักข่าวช่องเจ็ดซึ่งไปทำข่าวด้วยไปกระซิบทีมงานว่าสำหรับท่านวอซึ่งเป็นพระบ u ดิส i s มังค k ต้องเป็นผู้ชายไปคล้องแขนอัตมาก็เ อ, อ้าเ อ, อ้ขึ้นมาสองคนเป็นผู้หญิงหนึ่งชายหนึ่งใจชื้นแล้ว สบายแล้วนะสแสดงว่าทีมงานไปเตรียมเรียบร้อยแล้วถึงเวลาก็พริตตี้กับผู้ชายก็มามาใกล้อะไมามาสบายใจยังไงผู้ชายก็ครองเราพอมาถึงปุ๊บผู้ชายอยู่ข้างนอกผู้หญิงอยู่ข้างใน <c oughs> <c oughs> ยื่นแขนมาให้รถขับทําไงสายตาทุกคู่จ้องเราอยู่เนะโชวมาล้โชวมาวชวมารัอ า, า, าจารย์ก็ ทำเป็นมองไม่เห็นแล้วเดินโฉบไปกลางเวทีอย่างรวดเร็ว <c oughs> ท่านกูก็เดินโฉบมาแล้วก็เอี้ยวตัวลงข้างเวทีไปเ <c oughs> สียงสองต่อนะไหนจะสุนทรพจน์ไหนจะกลัวพิตีมาคล้องแขน <c oughs> คนอื่นเขาเป็นเรื่องสนุกนะใช่ไหมได้คล้องแขนกับพิตที้สวยๆโอ้โหนุ่งน้อยหอมน้อยถ่ายรูปออกมานี่สุดยอดนะแต่เรานี่ใจเต้นคลุมครามคลุมคราม จนลืมไปเลยว่าฉันจะพูดอะไรเมื่อไปยืนอยู่ตรงโพเดียมหน้าเวทีเราก็ต้องพูดสุนทรจน์ในนามประเทศไทยเนื่องจากรางวัลนั้นเป็นรางวัลที่มอบให้แก่คนทำงานทางด้านสันติภาพทุกคนก็พูดตรงสันติภาพในมุมมองของตัวเองพอไปถึงตรงนั้นจะมีกลองชุดอยู่ชุดหนึ่งถ้าเราพูดเกินสามนาทีกลองจะตี ถ้าคุณไม่จบคุณก็ได้แหกไปสิไอ้นั่นก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะตัวปัญหาเลยแล้วมองลงไปข้างล่างไม่ต้องพูดถึงนะแขกระดับซูเปอร์ว IP ของประเทศนั้นทั้งหมดและทุกประเทศที่พูดมานนะก็ดีหมดเลยจะเหลืออะไรให้เราพูดสุดท้ายอัตามาภาพก็นึกนิทานขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งนึกมันตรงนั้นสดๆจริงๆจะว่านิทานก็ไม่เชิงก็เป็นเรื่องจริง เป็นเรื่องที่มีเขาโครงจริงๆละะอาจารย์ก็เติมไปนิดหนึ่งเรื่องมียู่ว่ามีพิกซูนีรูปหนึ่งจากประเทศในเอเชียโดยรับเชิญจากองค์การสหประชาชาติให้ไปประชุมเรื่องสันติภาพโลกที่ซาวฟริอารพิกซูนีรูปนั้นไปพร้อมกับลูกสะใซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นทั้งนักข่าวและเป็นล่ามส่วนตัวของหลวงแม่ จับเครื่องจากเอเชียไปลงที่สาวแอฟริกาเสร็จแล้วก็ต่อเครื่องภายในไปเมืองเล็กๆซึ่งเป็นเมืองที่มีปัญหาเรื่องสันติภาพมีการกดขี่และลิดรอนสิทธิมนุษยชนเนื่องจากว่าเป็นภายในประเทศใช่ไหมก็จึงเป็นเครื่องโลว์คอสไม่ระบุหมายเลขใครถึงก่อนก็นั่งหลวงแม่กับลกูกเสร็จนะพอขึ้นไปปุ๊บ เอากระเป๋าเดินทางวางปุ๊ไว้สองที่นั่งแล้วก็ชวนกันปะเราไปเข้าห้องนะ้ำลูกแม่กับลูกเสดสาวครับไปเข้าห้องนะ้ทำทำาธุร์เสร็จลูกเสดสาวออกมาก่อนพอมาถึงที่นั่งปั๊บเอามีผู้เข้าประชุมจากชาติอื่นมานั่งสองคนเป็นผู้หญิงอ้วนเปละทั้งคู่เลยที่คอก็มีกล้องเถอะทะคล้องอยู่ มีกระเป๋าเดินทางวางแมะอยู่ข้างๆเธอออกมาก่อนเธอก็เลยบอกว่าเออคุณคะตรงนี้ที่นั่งของดิฉันแล้วก็หลวกแม่ของดิฉันผู้หญิงคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมาหรือคะแต่ทําไมคุณไม่อยู่ตรงนี้ล่ะเออเมื่อกี้ดิฉันเอากระเป๋าวางไว้ตรงนี้นะคะเธอก็บอกอ๋อกระเป๋าเหรอตอนนี้มันย้ายไปอยู่ตรงโน้นแล้วไง เอาย้ายไปวางไว้มุมอีกมุมหนึ่งเธอก็บอกก็นั่นไงหลักฐานว่าฉันมาก่อนอ่ะฉันเอากระเป๋าวางไว้ไงค่ะก็ใช่แต่ตอนนี้มันก็ไปอยู่โน่นแล้วไงน้องนักเก่าคนนี้เลยขึ้นขึ้นขึ้นมาน ค, คุณคุณคุณคุณคุณคะคุณจะลุกไหมคะ <c oughs> สองคนนั้นก็อ้วนมากนะเวลานั่งลงไปแล้วเหมือนพระประธานเลยอ่ะ <c oughs> น้ำหนักมัน เอ็มบอกไปหมดแล้วอะนะเขาบอกว่าเออคงลุกไม่ได้หรอกคุณไม่เห็นหรือว่าเราอะแบกน้ําหนักแค่ไหนเห็นแต่ที่นั่งเนี่ยฉันจองก่อนไม่ลุกให้ฉันก็ต้องลุกให้หลวงแม่ฉันถ้ามันเต็มหมดแล้วไม่ว่าจะเธอหรือไม่ว่าจะหลวงแม่ของเธอเราก็ไม่ลุกเพราะไม่มีการระบุหมายเลข ใครขึ้นมาก่อนคนนั้นก็นั่งเธอจะนั่งที่ไหนก็เรื่องของเธอเชิญเลยโอ้โหเท่านั้นเองนะต่มโทสะเจริณในจิตในใจของเราจะมีกิเลสอยู่กิเลสชนิดนี้เราเรียกว่าอนุัสอนุัยแปลว่ากิเลสที่พัมนักอยู่ในสันดานคล้ายๆสัญชาตญาณโลภโกรธหลงมีด้วยกันทุกคนนะแต่มันจะยังไม่งอกงามไม่เติบโตและไม่ปรีบานสะพรัง่ง ถ้ามันยังไม่ถูกกวนให้คนหรือไม่ถูกรดน้ำโลคก็มีแล้วในใจเราโกรธก็มีแล้วในใจเราหลงก็มีแล้วในใจเราแต่ถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันจะสงบราบคาบอยู่ตรงนั้นเหมือนงูที่มันนอนหลับปุ๊ยอยู่ในรูถ้าไม่ได้ยินเสียงคนไม่ได้ยินเสียงศัตรูมันก็จะยังไม่ตื่นและยังไม่ชูคอ สเลตในใจเรามันก็เหมือนงูเวลางูมันจะฉกจะกัดนะมันจะมีสามระยะระยะที่หนึ่งคือตื่นระยะที่สองคือชูคอแผ่แม่เบี้ยระยะที่สามคือประทุษร้ายเถียงกันมาเถียงกันไปงูที่อยู่ในตัวของลูกศิษย์สาวคนหนึ่งก็ตื่นเรียบร้อยแผ่แม่เบี้ยเรียบร้อยและถึงขั้นตอนสุดท้ายจะฉกเลยจะลุกหม ฉันไม่ลุกผู้หญิงอ้วนๆสองคนนั้นชดหน้าแ่ะฉันไม่ลุกเอาซิตบก็ได้ <c oughs> เธอไม่พูดนะแต่สายตามันพูดนะแล้วเธอสองคนนะสองคนหันมามองเธอพร้อมกันตบก็ได้นะ <c oughs> โอ้โหแล้วเธอคนนี้ก็เป็นนักข่าวอ่านสายตาออกซะด้วย ซึงจัดการเงื้อมือขึ้นคิดในใจว่ามันต้องตบสังสอนทันใดนั้นะหลวงแม่ก็เดินออกจากห้องน้ามามาเห็นเหตุการณ์ลูกศิษยากําลังเงื้อมือจะตบแขกลูกหนูจะทำอะไรจ๊ะลูกตบสังสอนมันแม่ลูกเรามาที่นี่เพื่ออะไรจะ๊ะไปชุมสันติภาพโลก พอเธอตอบอย่างนี้ป๊บหลวงแม่ก็บอกนั่นไงล่ะเรามาประชุมสันติภาพโลกไม่เชื่อเหรอลกูกค่ะแล้วหนูกํลาลังจะทําอะไร <c oughs> สันติภาพอยู่ไหนพระอาจารย์ก็ถามลงไปในที่ประชุมนั้นว่าสันติภาพอยู่ไหนและคําคืนนั้นเป็นคําคืนที่ทําให้นิทานดังนั้นได้รับการปรอบมือกล้องไปทั่วทั้งงานรอดมาแบบวุนะ่นวิต นี่คือสันติภาพสันติภาพที่แท้จริงอยู่ในใจเราทุกคนแต่สันติภาพนี้จะยังไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่กระตุ้นตัวรู้ให้ตื่นขึ้นมาเราทุกคนนั้นมีศักยภาพที่จะรู้ที่จะตื่นและที่จะเบิกบานเราเรียกว่าศักยภาพแห่งโพธิหรือโพธิปัญญาในตัวเรานี้มีโพธิปัญญาด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ พวกเราเคยสงสัยไหมทําไมครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจึงมีปัญญาเอกโอครูบาอาจารย์อย่างหลวงปูด่ดลอตุโลหลวงปู่ชาสุภัทโทจึงมีปัญญาเอกโอทั้งๆ ท, ที่ท่านเหล่านี้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรน้อยมากอย่างหลวงพ่อชานั้นลูกศิษย์ฝรั่งของท่านนั้นทั่วโลกนะ พุทธศาสนาสายเถราวาทที่ถือว่าเข้มแข็งที่สุดในโลกในเวลานี้ไปจากสายหลวงพ่อชาสุภทโธแล้วฝรั่งแต่ละคนที่มันเป็นลูกศิษย์ท่านนั้นเป็นฝรั่งที่เรียกกันว่าท่นยอดทางนั้นเลยแต่ละรูปแต่ละองค์เนี่ย น, นะทําไมมายอมหลวงพ่อชาหมดคําถามก็คือหลวงพ่อท่านเอาปัญญาจากที่ไหนมาสอนลูกศิษย์ นั่นหมายความว่าในโลกนี้มีปัญญาอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับการศึกษาในรัวมหาวิทยาลายัยซึ่งไม่เกี่ยวกับทักษะในการใช้เหตุผลที่เราเรียกว่าลอจิกหรือตรรกศาสตร์ปัญญาชนิดนี้นั้นเป็นปัญญาที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนไม่สําคัญว่าท่านจะอ่านออกเขียนได้หรือไม่แต่เมื่อฝึกหัดปฏิบัติตนไปจนถึงระดับหนึ่งจนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆที่จำบรญสาอยู่ในเรือนใจของเรานั้นตื่นขึ้นมา ปัญญาเช่นในนี้นจะเพลียบานเราเรียกว่าโพธิปัญญาพอโพธิปัญญาตื่นขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเราไปดูคําสอนของครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อชาก็ดีหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภก็ดีนะมีสติปัญญาที่สว่างสวไวเฉียบแหลมเอาไปเทียบกับพระไตรปิฎกไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกันเลยเป็นไปนได้อย่างไร ที่มั น, นเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าปัญญาที่ท่านเหล่านี้มีเป็นปัญญาเดียวกันกับที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและปัญญาชนิดเดียวกันกับที่ท่านเหล่านั้นมีและที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบก็เป็นปัญญาเดียวกันกับที่มีอยู่ในตัวเรานะ่ะ <Cause S 1> ฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยมีศักยภาพโพธิ์ที่มีศักยภา พ, พที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้เหมือนครูบาอาจารย์เหล่านะเช่นหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านเป็นชาวบ้านธรรมดามากแต่พอท่านตื่นรู้ขึ้นมาโอโหสติปัญญาของท่านนะคมกริบ คมเก็บเรื่องราวของท่านนั้นน่าสนใจท่านเป็นพ่อค้าเรือเล่ครับเรือรับสินค้ามาขายฝั่งไทยฝั่งลาวร่ารวยมีเงินและทุกปีก็ทําบุญทอดกรถินวันหนึ่งเมื่อเมื่อนำเงินไปทําบุญทอดกรถินที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็จ้างลิเกมาเล่นปรากฏว่าภรรยา มาถามท่านว่าเนี่ยค่าลิกลงลิเกที่เอามาเล่ น, นจะจ่ายเท่าไหรด่ดีท่านตุพพนายาถามแค่เนี้ยกรดมากหมดเหงินขึ้นมาเลยว่าทําไมเรื่องแค่ น, นี้จัดการไม่ได้จา่ายค่าจ้างค่าออนแค่นี้มันต้องถึงเราทุกเรื่องเลยหรื อ, อยังไงท่านล้อ ก, กับพันรายารุนแรงมากเมื่อถึงที่สุดแห่งการทะเลาะท่านก็จุดคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะ เราเพิ่งทําบุญแท้ๆ แ, แต่ทําไมเราโกรธแสดงว่าที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ผลใช่ไหมไปทําบุญนอดกะดินด่นแท้ๆนะแต่โกรธทะเลาะกันกับภรรยาจู่ๆปัญญาชนี้นั้นก็สว่างโพลงขึ้นมาในจิตในใจขงท่านท่านเกิดกันได้คิดได้คิดนี้เป็นคําสําคัญมากนะได้อะไรก็ไม่สําคัญเท่าได้คิดนะเพราะถ้าคนหนึ่งคน ได้คิดแล้วชีวิตเปลี่ยนเลยท่านก็ได้คิดขึ้นมาว่าเอ๊ะที่เราทำนี่มันน่าจะมีบางอย่างไม่ถูกต้องนะก็ทำบุญอยู่ทุกเมื่อเช้าวันทำไมโลภกรดหลงไม่ลดแสดงว่ามันมีบางอย่างผิดแล้วกลับมาบ้านตัดสินใจบอกัรรยาว่าแม่พ่อไปแล้วนะไปไหนไปสวัสดิครับสัจธรรมถ้าไม่บรรลุแม่ทาใจไว้ได้เลยนะ ไม่ได้เจอกันละชาติเนี้ยไม่บรรลุธรรมก็ไม่กลับบ้านก็ออกจากบ้านไปสแสวงความวิเวกตามหุบตามห้วยตามรอยครูบาอาจารย์ไปหลายรูปหลายองคนะ์ไม่ถูกจิตถูกใจสักองค์วันหนึ่งท่านก็นั่งภาวนาอยู่ในทับกระท่อมนะถ้าจำไม่ผิดจิตกำลังสงบมาเลงป่องตัวหนึ่ง ตกลงมาจากหลังขาตกปุลงบนขาท่านมันเป็นแมลงป่องที่มีลูกพอแม่มันตกปุลงบนขาลูกมันก็ไต ย, ยัวเยี่ออกมาเต็มขาไปหมดเลยท่านกระดิกไม่ได้เลยก็เลยพิจารณาลงไปที่สันขาซึ่งแมลงป่องทั้งแม่และลูกไต่ ย, ยัวเย้่เหมือนกับว่าแมลงป่องมันได้ยกพลขึ้นบกที่ขาท่าน ขยับไม่ได้ถ้าขยับตายแน่นอนเอาแมลงป่องเป็นอารมณ์ s ก o ร์เปียนเมดิเทชเจริญกรรมฐานโดยเอาแมลงป่องเป็นอารมณ์ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยพระอาจารย์ก็อ่านมานานมากแล้วเรื่องนี้และเพราะเหตุที่จิตท่านนิ่งเนื่องจากพิจารณาทั้งความกลัว แล้วก็ทั้งจิตที่รวมลงโดยเป็นสมาธิตามธรรมชาติจู่จู จ, จิตท่านก็รวมขึ้นมาแล้วก็สว่างพโพล่งแล้วหลังจากนั้นท่านก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงท่านค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่ท่านสแสวงหามานานเหลือแสนแล้วก็สถาปนาวิธีเจริญสติแบบใหม่ที่เราเรียกว่าเป็น dynamic meditation คือการเคลื่อนไหวมือการเคลื่อนไหวมือเป็นจังหวะจังหะจังหวะ อาจจะมากกว่านั้นอาจจะกกน้อยกว่านั้นบ้างก็มีบางสํำนักก็เอามาย่นย่อแล้วก็แอพพลายประยุกต์ไปต่อมาท่านได้กลายเป็นครูบาอาจารย์ฝ่ายวิปัสนากรรมาฐานที่สําคัญรูปหนึ่งของประเทศไทยเมื่อท่านกลับมาบ้านท่านก็สอนภรรยาของท่านท่านได้สาวกคนแรกเป็นภรรยาของท่านนะภรรยาก็ทําตามเจริญรอยตามแล้วันหนึ่งขณะกําลังเก็บผักอยู่กลางสวนเก็บผักไปเจริญสติไปภรรยาของท่านก็ตื่นรู้ขึ้นมาตัวชาจากหัจรดปลายเท้า ตะโกนขึ้นมาว่าพ่อมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันชาไปหมดพ่อเทียนก็บอกว่าใจเย็นๆดูมันมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ดูมันพระยาของท่านก็บรรลุทาตามท่านไปอีกคนหนึ่งจากนั้นท่านก็สอนญาติวงภงศาและในที่สุดก็มาบวชเพราะเห็นว่าการเป็นข้ราชการนั้นสอนยากสอนเย็นเนื่องจากสถานภาพทางสังคมไม่เอื้อให้ให้เทศให้สอนคนไม่ฟังใช่ไหมก็เลยมาบวชเป็นพระแล้วก็ สอนสมาธิภาวนากลายเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อมีเสียงที่สุดอีกรูปหนึ่งฝ่ายกรรมฐานของไทยที่เราเรียกชื่อท่านด้วยความเคารพบรลลงพ่อเทียนจิตตะสุขโขเห็นไหมห่อขาคนหนึ่งไม่มีแทบไม่มีพื้นไม่มีภูมิทางวิปัสสนากรรมฐานขั้นลึกอะไรเลยแต่แล้วพอตื่นรู้ขึ้นมาแล้วกลายเป็นผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมระดับเอกอุกเป็นไปได้ยังไง เนี่ชีวประวัติของหลวงพ่อเทียนนั้นสะท้อนว่าเราทุกคนมีโพธิปัญญาอยู่ในเนื้อในตัวเราหลวงพ่อชาท่านเล่าว่าโพธิปัญญานั้นมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเหมือนเราขุดลงไปใต้ดินเนี่ยนะขุดลงไปเถอะทาให้สุดขุดให้ถึงเราจะเจอน้ําทุกแห่งขออย่างเดียวเราจะไปเลิกขุดกลางทางถ้าเราไม่เลิกขุดกลางทางเราเจอน้ําเน่เช่นเดียวกันเมื่อเราขุดลงไปในจิตในใจของเราเราก็จะพบตัวปัญญาหรือธาตุรู้ เครื่องมือที่เราจะใช้ขุดลงไปในตาน้ำแห่งการเตือนรู้ก็คือสัมมาสติก็คือการเจริญสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขนาดคำสอนของพระบ้านบ้านอย่างหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภนั้นกลายเป็นคำสอนที่ใครต่อใครก็รับนำไปประพฤติธปฏิบัติตอนนี้ท่านก็มีชื่อมีเสียงในระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วมีอยู่วันหนึ่งมีในแพทย์คนหนึ่งมาหาท่านในแพทย์คนนี้ก็สะสมพระเครื่องไปได้พระสมเด็จมา เนื้อดีมากส่องตลอดโอ้โหดูภูมิใจมาหาลงพ่อเทียนเอามาให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อเนี่ยพระสมเร็จเนื้อดินเผาประนีตไม่มีทิติลหลวงพ่อเทียนก็ถามว่าพระนี่ทำจากอะไรดินขอรับหลวงพ่ออ๋อทำจากดินเหรออ๋อ ถ้าที่คุณหมอเอามาบูชาเนี่ยกับดินที่คุณหมอเหยียบเข้ามานั้นดินอันเดียวกันนะครับหลวงพ่อแล้วมันจะขังตรงไหนคุณหมอท่านนั้นตั้งแต่นั้นก็วางพระเลยเห็นไหมเห็นความลุ่มลึกัหมนี่แหละความลุ่มลึกของพระบ้านนอกถ้าพวกเราสนใจนะลองไปศึกษาชีวประวัติของหลวงพ่อเทียน เ้าจะค้นพบว่าพระบ้านนรูปหนึ่งลุ่ ม, ล, ม, ล, มลึกได้อย่างไรอีกรูปหนึ่งก็คือหลวงพ่อชาสุภะโทที่พอมาบวชเรียนแล้วก็มาเรียนธรรมะมาแปลบาลีแล้วก็ค้นพบว่าเอ๊ะที่เราแปลบาลีมาทั้งหมดมันก็เป็นสิ่งที่เจอในชีวิตประจำวันทั้งนั้นทำไมจะต้องไปแปลให้มันยากมันเย็นล่ะเข้าป่าเลยดีกว่าหายเข้าป่าไปพอกลับออกมาอีกทีหนึ่งเป็นอาจารย์ระดับปรมาจารย์ ฝรั่งทั้งโลกยอมรับท่านเป็นลูกศิษย์ตอนนี้สาขาหังวัดหนองปะาพงมากกว่าสามร้อยสาขากระจายไปทั่วโลกท่านลุ่มลึกได้อย่างไรต้องฟังจากเรื่องเล่าว่าหนึ่งท่านไปบินท่าบาทกับลูกศิษย์ฝรั่งตามท่านไปกิ่งไม้มันหักขวางทางอยู่หลวงพ่อชาก็ก้มลง พยักพยรถยให้ลูกศิษย์ฝรั่งจับยกขึ้นมาลูกศิษย์ฝรั่งกัมือหนึ่งก็ถือบาทบาดใหญ่มากนะบาดบาดพระป่าได้ใหญ่มากมือหนึ่งก็จับกิ่งไมห้หลวงพ่อช า, าถามว่าหนักไหยครับหลวงพอ่อหนักแล้วคุณถือไว้ทําไมพระฝรั่งก็ปล่อยพวกเลยเห็นไหมเท่านั้นเองก็สว่างโพลงทันทีนี่คือการสอนแบบของหลวงพ่อชา อีกวันหนึ่งท่านเดินตรวจไปตามบริเวณวัดมีพระร่วมหนึ่งนั่งสมาธิอยู่แล้วหลังคามันรั่วแสงแดดสาดลงมาท่านก็ถามว่าทำไมท่านไม่ซ่อมหลังคาลูกศิษย์ก็บอกผมจะฝึกความอดทนครับหลวงพ่ออ๋อฝึกความอดทนหรือทนแดดทนฝนเนี่ยนะครับหลวงพ่อเลยไม่ต้องซ่อมหลังคาครับหลวงพ่อ โอ้ยถ้าคุณจะฝึกความอดทนอย่างนี้คุณสู้วัวสู้ควายไม่ได้หรอกควายมันอยู่กลางแดดนั่นไม่เห็นมันกลัวแดดกลัวฝนเลยคุณนั่งสมาธิอย่างนี้ไปเดี๋ยวคุณก็ได้เป็นควายตัวหนึ่งเ <c oughs> <He et S 1> ห็นไ้มท่านจับประเด็นธรรมะได้แม่นายามากวันหนึ่งมีพระชาวต่างชาติอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เมืองไทยนะย ตอนเย็นๆลูกจิตลูกหาก็ไปทําวัดสวดมนตน์หมดก็ถึงคิวของท่านถึงเวนของท่านถึงวาระของท่านต้องนวดถวายครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาก็นั่งบนกุฏิลูกเสร็จฝรั่งร่มนี้ก็มานวดท่านระหว่างที่นวดนั้นหลวงพ่อชาก็หลับตาลุกจิตก็นวดระหว่างที่นวดจิตก็ฟุ้ง หลักของการเจริญวิปัสสนากรรมมานคคือการอยู่กับปัจจุบันนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทุกเรื่องที่เคิดทุกกิดทด้ทำทุกคำที่พูดทุกอรบายบทที่เคลื่อนไหวต้องตื่นรู้แต่พระฝรังรูปนี้พอมานวดถวายครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นปรมาจารย์ของการเจริญสติแต่ลูกเสรย์นั้นสติหลุดระหว่างที่นวดไปเนะี่ยท่านก็ภูมิใจว่าพระทั้งวัดจะมีใครโชคดีเท่าเรา เรานี่โชคดีเรานี่บุญหนักสักใหญ่ดดันมานวดถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งถือกันว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนวดไปกิเลสก็ฟูฟู ฟ, ฟูจนท่วมหัวท่านท่านไม่รู้ท่านใดนั้นจู่ๆลงพ่อาชาก็ถีบเปรี้ยงก็ที่ยอดอกท่านหลุดพวกกริ้งโครโร ล, ลงไปนอกชานนน์ ร้องไห้เลยหลวงพ่อทําไมทีผมหลวงพ่อชาก็บอกว่ามือเธอนวดเราอยู่นี่แต่ใจเธออยู่ไหนเธอหลงอารมณ์ยังไม่รู้อีกรเห็นแล้วยังเนี่ยฟังย่อมเลยหลงอารมณ์นี่คือหลุดจากปัจจุบันขนาดไงนวดอยู่แทนที่จิตจะอยู่กับการนวดใช่ไหมนวดอยู่ก็รู้ว่านวดแล้วท่านรู้ไหม ท่านไม่รู้เนอะท่านไม่รู้ว่านวดอยู่ก็รู้ว่านวดเนอะมืออยู่ที่แข้งขาของครูบาอาจารย์แต่ใจไปไหนใจลอยไปไหนตัวไหนเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยนวดอยู่ไม่รู้ว่านวดเหมือนสัปดาห์ก่อนได้อ่านบทสัมภาษณ์ของคุณหญิงจำใสศิลปะอาชาภรรยาของท่านอดีตนายกรั ฐ, รฐมนตรีบรรหารศิลปะอาชาคุณหญิงจำใสเนี้ชอบปฏิบัติธรรมนะคุณหญิงก็เล่า ว, ว่า เดี๋ยวนี้ชีวิตมีความสุขมากมีแต่เรื่องราวดีๆว่างเป็นไม่ได้ต้องไปปฏิบัติธรรมวันหนึ่งคุณหญิงก็เล่าว่าขณะที่กำลังเจริญสติด้วยการเดินจกรมเดินออกมารอบนอกของกุฏิคืนนั้นเดือนไงแจ่มงามมากยมก็เดินขวาแ ย, ยางน้ซ้ายแยางน้ ขวายางหนอสาย่างหนอตอนแรกก็ตหนักรู้ทุกก้าวที่เราย่างนะพอไปสักพักหนึ่งตาเหลือบขึ้นไปมองเห็นพระจันทร์แจ่มกระจ่างอยู่กลางนภาอากาศคนหญิงก็โอ้พระจันทร์สวยเหลือเกินสักพักหนึ่งอาจารย์ก็เดินออกมาคุณโยมคุณหญิงตอนนี้ใจอยู่ไหน ไปรวมกับพระจานย์แล้วเจ้า่ะเห็นด้ยังมันหลุดง่ายไหมมันหลุดง่ายมากมากนะเมื่อกี้ใจอยู่ไหนที่เท้าใช่ไหมเพลอแป๊บเดียวขึ้นไปอยู่กับดวงจันทร์แล้วนี่การเจริญสตินี่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแต่ถ้าจับเคล็ดเป็นแล้วมันก็ง่ายเมื่อเดือนที่แล้วมีพระฝรั่งชาวสวิตเซอร์แลนด์มาบวชกับพระอาจารย์ บุดดีเกิดมาคุยก็มาบวชกับพระอาจารย์มีพระใหม่มาอยู่ด้วยสองรูปพระอาจารย์ก็เลยพาไปบิทบบาทในเมืองในตลาดสดพาไปตลาดสดเพื่อจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านและจุดอ่อนของพระทุกรูปที่ไปวันนั้นเราไปกันสี่รูปพระทุกรูปกําลังฝึกเจริญสติเหมือนกันหมดแต่ทุกรูปมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งคือทุกรูปชอบทุเรียน วันนั้นพระจันทร์ก็นำบิณฑบาตโอ้โยมตักบาตรเยอะมากวันแรกๆเข้าไปกันเองสามรูปไม่มีใครจําพระใหม่คือพระพุทธดีไม่มีใครจรําได้เพราะก้มหน้าเดินพระฝรั่งก็ไม่มีใครรู้จักเดินจนตลอดเช้าไม่ได้อะไรฉันเลยไม่กล้ากลากับวัดเลยแวะที่ร้านอาหารสั่งอาหารมาฉัน ด้วยความสมเ ay, พชกับตันใหม่เพิ่งเอาเครื่องขึ้นไม่มีสายการบินที่ชัดเจนอดอยากปากหมองกลับมาเล่าให้อดามาฟังด้วยความสมเพชตัวเองอันนี้ต่อมาอัตรมาภาพไปเองโอ้โหตลาดแตกเพราะอะไรอัตมาน่ะมันคนเชียงรายใช่ไหมมองไปทางไหนก็มียาติวงพงษาแล้วบวชอยู่ในอำเภอเมืองตั้งกี่ปีละหกปีครึ่งนั่นมันสายการบินเก่า ฉะนั้นอาตมาพาไปนี่เหมือนเอาเครื่อง a 3สามปศูขึ้นโยมตักบาทเยอะมากตลอดเส้นทางโ ย, ยมก็เอาเข้าปลาอาหารผลไม้ใส่เยอะ ม, มากแล้วสุดท้ายเราก็ไปถึงจุดที่ท้าทายต่อการเจริญสติหรือการตื่นดูอยู่กับปัจจุบันของพวกเราเราเดินผ่านแผงทุเรียนเป็นภูเป็นภูวางเรียงเป็นตับโ อ, โ, อโ ห, โ, หโยมเขียนชื่อติดด้วยนะว่าแต่และ อันแต่ละอันเนี่ยนะที่วางอยู่เนี่ยนะแต่ละภูณนะยี่ห้ออะไรพระอาจารย์ดูแล้วกลิ่นมันมาแต่ไกลก็หันไปบอกพระใหม่ว่าสํารวมนะมองในบาทนะครับพระอาจารย์พอไปถึงปุ๊บปรากฏว่าโ ย, ยมเจ้าของแผงทุเรียนนั่นแหละก็เตรียมอาหารไว้ชุดใหญ่ก็เอาอาหารชุดใหญ่ตักบาทตักบาทพระทุกรูปพระทุกรูปก็มองลงไปในบาทแต่มันก็ไม่พ้นหรอกสายตาก็เห็นทุเรียนเนี่ย พระชาสวิสชอบทุเรียนมากท่านเน้นน้ำลายสอเลยอาตมาก็บอกมองในบาทลูกครับกลิ่นมันก็โอ้โหท้าทายท้าทายคาณนะประสาทนะประสาทรับกลิ่นของท่า น, นีนทำงานท่านกลืนน้ำลายเอือ้ออกต่อหน้ายม เราก็ลุ้นกันอยู่อาตมาก็แอบลุ้นในใจเน็ตว่าท่านไม่ต้องทําอะไรหรอกเพราะยังไงโยมก็ตักอยู่แล้ววันนี้กับตอนที่หนึ่งเอาเครื่องมาเองนะจะอดทุเรียนก็ให้มันรู้ไปสิโยมก็หยิบโน่นใส่หยิบนี่ใส่ข้ามไปข้ามมาข้ามมาข้ามไปข้ามทุเรียนหมดเลยจนสุดท้ายเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็บอกโยมตั้งใจกวดน้ํำรับพรนะพระฝรั่งก็บอกอีคิวมี อะไรลูกท่านก็เลยถามโยมโยมทุเรียนเนี่ยถ้าพระซื้อมันตกเท่าไหร่ท่านหมดความอดทนในเมื่อไม่ตักก็ซื้อมันเลยโยมก็เลยหลวงพ่อชอบเหรอเจ้าคะโน no, ถามดู อาตมากับพุดธีทนไม่ได้จึงยืนขำอย่างเดียวเลยสุดายยมก็หยิบใส่อาตมาบอกยมไม่ต้องใส่หรอกท่านก็คงถามอย่างนั้นแหละท่านเป็นฝรั่งไม่รู้เรื่องหรอกยมก็บอกว่าไม่เป็นไรเจ้าค่ะเพราะว่าท่านพูดขนาดนี้แล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> ว่ากลับมาอาตมาก็ถามท่านว่านี่เมื่อกี้ตอนยืนอยู่หน้าแผงทุเรียนน่ะ ท่านเจริญสติไหมครับพระอาจารย์เจริญยังไงผมก็มองลงในบาทแล้วทำไมท่านท่านถึงรู้ว่ามันมีทุเรียนพระอาจารย์ตาไม่เห็นแต่กลิ่นนะแล้วทำไมท่านไปพูดอย่างนั้นพระอาจารย์ผมบอกทำตรงนะผมคิดตลอดว่าถ้าโยมไม่ใส่วันนี้ผมจะต้องให้ลูกศิษย์ไปซื้อ เห็นไหมว่าการเจริญสติมันไม่ง่ายอะมันไม่ง่ายจริงๆริงนะอย่าว่าแต่มือเก่ามือใหม่เลยเวลาไปเจอของที่เราชอบใช่ไห ม, มก็อดไม่ได้เนี่ยแม้กระทั่งพระใหม่นะกว่าสติมันจะเข้าที่เข้าทางต้องฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีก เ, อเห็นไหมว่าถ้าเรามาเจริญสติแล้วมันไม่ได้ดังใจอ่ะมันจุดไม่ติดสักทีอย่างให้ก้มกรามเนะี่ยบอกว่าอย่าคิดนะตื่นรู้นะ ทันมันไหมก้มปุ๊บจิตไปโน่นมือมันจะลงพื้นใช่ไหมจิตจะขึ้นข้างบนดีนั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่ตันหาคอยกระสิบขยับสิไปเข้าห้องน้ําเข้าแล้วยังไม่ต้องรีบกลับก็ได้อีกนานละคืนเนี้รู้ไหมรู้ไหมว่ามันขี่คอเราอยู่นี่พอให้นั่งสมาธิปุ๊บ นั่งไปนิดเดียวคันพอคันจิตมันก็บอกว่าเขาสิลืมตา ม, มาดูก็ได้มันคันอะไรใช่ไหมมันก็จะไล่จากขาขึ้นมาแล้มาถึงหน้าตามหลักจริงๆอ่ะมันจะคันข้าวเยือยังไงก็ตามอย่าขยับเพราะเราขยับนิดเดียวนะสมาธิแตกสั้นเลยในการฝึกอย่างเข้มข้นจริงๆนั้นแม้น้ำลายท่านก็ไม่ให้เกิน เมื่อเด้นั่งไปแล้วก็นิ่งไปเลยนั่งชั่วโมงหนึ่งนะบางทีเรางัดมือออกจากกันไม่ได้นิ้วล็อกแต่ถ้าผ่านสันดอนช่วงนี้ไปได้จากนั้นโยมจะสมุดมากโยมสามารถนั่งได้ครั้งแล้วชั่วโมงเป็นเรื่องธรรมดาแต่กว่าจะไปถึงขั้นนั้นมันก็ไม่ง่ายแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์มันก็ไม่ยากหวใจของการเจริญสติก็คือโยมต้องอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบัน อารมณ์ปัจจุบันหมายความว่าเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยนะอารมณ์อะไรเด่นขึ้นมาเราก็เอาจิตไปสังเกตเอาสติไปสังเกตอารมณ์นั้นเช่นนั่งนั่งอยู่ๆมันง่วงขึ้นมาอย่างนี้เวลามันง่วงขึ้นมาเรารู้ตัวไหมหลายคนรู้ถ้าเรารู้ง่วงนั้นจะลดความเข้มข้นลงแต่ถ้าเราไม่รู้มันจะทวงเราทวงเราทวงเร า, เรายิกขาโดยมันก็ยังหลับอยู่ ไคยเป็นไหมนี่แหละแต่ถ้ากําลังสติของเราเข้มแข็งนะความง่วงจะทําอะไรเราไม่ได้ฉะนั้นถ้าเรานั่งอยู่แล้วมันง่วงเอาง่ว ง, ง, อ ง, ง, องเอาง่วงเอาแสดงว่าสติของเรานั้นอ่อนเปียกเพลียแรงเต็มเกลื่นแล้วอย่างนี้เราจะต้องฝึกให้หนักทาอย่างไรเราถึงจะตื่นรู้อยู่ในทุกๆอิริยาบถทําบ่อยๆเมื่อเราทํำบ่อยๆจิตมันก็จะจําไว้นะ จิตมันจะจำสิ่งที่เราเคยทำแล้วได้ผลพอเราทำเป็นแล้วเนี่ยเราอยากจะสงบเอาแค่นึกนะสติมันจะมาตั้งฐานรออยู่แล้วสมมุติเราเคยฝึกมาแบบดูลมหายใจนะเราแค่ตั้งใจว่าจะดูลมหายใจนะสติมารออยู่ที่ปลายจมกูกสมมุติเราดูพองยุบที่หน้าท้องตั้งใจว่าจะดูพองยุบสติมันก็มารออยู่แล้วแต่ถ้าเราฝึกไม่เป็นนะพยายามยังไงเนี่ยเหมือนปล้ำผีลุกปลุกผีนั่งเลยนะ ใช่ไหมแต่ถ้าเราฝึกแล้วมันไม่สงบอย่าไปโกรธตัวเองจิตของเราแต่ละคนอุปมาดังหนึ่งปลาที่อยู่ในน้ํามานานเหลือแสนนะใช่ไหมปลาที่อยู่ในน้ํามานานเหลือแสนหยิบขึ้นมาวางบนเขียงมันจะดิ้นไหมดิ้นมากอย่างพวกเรามาวันนี้เป็นวันแรกนะ่ะปลามันดิ้นไหมจิตมันดิ้นไหมหัวมันดิ้นนะ มันคนดิ้นแรงมากนะแล้วปลาบางตัวดิ้นไปโกรธไปนะ ด, นปง ด, ง ด, ปดิ้นไปงุดหงิดไปดิ้นไปง่วงไปดิ้นไปเจ็บหลังเจ็บโน่นเจ็บนี่ไปกิเลสมันจะปรุงแต่งพาคิดพาพูดพาทําสารพัดแต่ถ้าเรานั่งนั่งไปเดินไปพิจารณาไปแล้วเราเริ่มรู้สึกตัวเองขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเช่นมันคิดขึ้นมาแล้วเราเริ่มรู้ว่าเฮ้ย <c oughs> เราคิดนะอันนี้แสดงว่าเริ่มดีขึ้นนะ ปกติเวลาเราคิดเราไม่เห็นความคิดเวลาเราง่วงเราไม่เห็นความง่วง <cribe> เวลาเรางเ่เงียบเราไม่เห็นความโง่เงียบเวลาเราอึดอัดขาดข้องเราไม่เห็นความอึดอัขดขัดข้องแต่ถ้าอารมณ์เหล่านี้ทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาแล้วเราเริ่มรู้สึกตัวถึงมันนะเริ่มรู้สึกตัวถึงการกระเพื่อมไหวของมันเป็นระลอกระลอกระลอกแสดงว่าสติของเรากําลังมาแล้วฉะนั้นเมื่อเรามาภาวนาอย่างนี้ถ้าปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ดั่งใจอย่าไปว่ามัน นะเกิดอะไรขึ้นก็ดูมันตามดูตามรู้มันไปเทลานิสเทลานิสเทลานิสเมื่อสติถูกติดตั้งสําเร็จแล้วจากนั้นเป็นต้นไปโ ย, ยมจะแทบไม่ต้องพยายามเลยมันจะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาโดยอัตโนมัติในทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำในทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคําที่พูดและทุกอิรยาบถที่เคลื่อนไหวฉะนั้นการที่เรามาฝึกอย่างนี้นะมาฝึกนั่งมาฝึกเดินพรุ่งนี้เช้าจะฝึกดื่ม เราจะฝึกรับประทานอาหารเราจะฝึกลงลึกทีละนิดทีละนิดทีละนิดอันนี้คือกระบวนการติดตั้งโปรแกรมสติติดตั้งโปรแกรมแห่งการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะเมื่อเราตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะชีวิตมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วปัญญาซึ่งเป็นของเป็นเองที่เรียกว่าโพธิปัญญาจะสว่างเรืองขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อย ถ้าเราไม่ทิ้งการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ภายในหนึ่งเดือนเท่านั้นยมจะเห็นตัวเองในอีกมิติหนึ่งอันนี้เป็นเครื่องที่การันตีได้ยมจะเห็นตัวเองในอีกบุคลิ ก, กภาพหนึ่งอย่างชัดเจนและเมื่อโพธิปัญญาตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยความโลภความโกรธความหลงมันลดความเข้มข้นลงยมก็จะมีชีวิตอีกระดับหนึ่งเป็นชีวิตที่นหนืระดับอย่างแท้จริง แต่ถ้ามันจุดไม่ติดแล้วก็ไม่กลับไปพัฒนาต่ อ, อเลยมันอาจจะหายไปโน้นแหละตายไปชาตินหน้าก็ต้องมาทำอย่างนี้อีกเพราะเราได้มาลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยมันเหมือน c yeah right? นะ e o n n e c ก the d o, e th o. D o, d o e th t การเชื่อมจุดมันยังไม่เป็นภาพใหญ่สัทีใช่ไหมคือยังไม่ถึงนิพพานนะมันก็จะมาเชื่อมชาตินี้มันก็เอาแค่นี้เนี่ยเช่นไหมชาติที่แล้วเราก็เคยทำอย่างนี้แล้วมันไม่สุดไงชาตินี้ถึงกลับมาอีกชาตินี่แล้วมันก็เป็นคนอย่างเงี้ยครึ่งคึ้งกลางๆอย่างเงี้ยทาไม่สุดขุดไม่ถึงไปนั่งสมาธิมันก็เคยง่วงมันกันะชาติแล้ว ชาตินี้มาก็มันง่วงอีกถ้ายังไม่หายง่วงมันก็จะไปอีกชาติหน้าชาติหน้าต่อไปเรื่อยๆแต่วันหนึ่งมันจะถึงที่สุดเพราะเราได้มาเชื่อมจุดไว้แล้ววันหนึ่งมันจะต่อเป็นภาพใหญ่ที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกเจริญสติไประดับหนึ่งพอที่ปัญญาเกิดขึ้นแล้วเมื่อถึงจุดนั้นเราจะเป็นคนที่สามารถเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ตนก็จะเป็นที่พึ่งของตน พอเราเป็นที่พึ่งของตนเราก็จะสามารถให้คนอื่นมาเป็นที่พึ่งได้ด้วยเป็นที่พึ่งได้ยังไงอ่ะเพราะเมื่อเรามีสติคนใกล้ๆเราเขาจะมีสติและเมื่อเราขาดสติคนใกล้ๆก็จะพลอยขาดสติเช่นเมื่อเราโกรธแล้วเราฟานหัวฟานงานใส่คนใกล้ๆเราเขาจะโกรธไหมแป๊บเดียวไวรัสโกรธก็ติดแล้วถ้าเราเครียดเดินเข้าไปใหนนี่ทํางานเพื่อนๆเราเครียดไหมเครียด ถ้าเราอารมณ์ดีเดินเข้าไปในสำนัก ง, งานเพื่อนๆเราอารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีถ้าเรามีสติเดี๋ยวคนแกลๆเราก็หายโก้เองแหละสติก็จะเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลมีนักกายกรรมสองคนพ่อลูกประกอบสำมาชีพด้วยการเล่นกายกรรมโชวัวนหนึ่งไปเล่นกายกรรมโชในตลาดสด พ่ออยู่ข้างล่างลูกอยู่ข้างบนเหยียบอยู่บนไหล่ของพ่อจากเหยียบไหล่ก็จะเหยียบอยู่บนหัวของพ่อเท้าของพ่อก็จะยืนอยู่บนเส้นลวดระหว่างที่กําลังทรงตัวอยู่ท่ากลางนะ้ำพากาศนั้นพ่อก็ตะโกนบอกลูกว่าลูกลูกระวังให้พ่อเนะพ่อก็จะระวังให้ลูกโดยวิธีนี้ การแสดงของเราวันนี้ก็จะประสบความสำเร็จและเราก็จะสามารถทำมาหาเล้ยงชีพได้ตราบนานเท่านานเอาแล้วนะลูกนะช่วยระวังให้พ่อด้วยนะพ่อก็จะระวังให้ลูกเอานะแทนที่ลูกจะตอบว่าเอาเลยพ่อตามนั้นลูกกจะ บ, บอกว่าพ่อพ่อไม่ต้องระวังให้ลูกหรอกลูกก็ไม่ต้องระวังให้พ่อหรอก เราต่างคนต่างก็เฝ้าระวังตัวเองพ่อก็ยืนให้มั่นคงที่สุดณจุดที่พ่อยืนหมก็จะยืนให้มั่นคงที่สุดมีสติที่สุดณจุดที่ผมยืนในเมื่อเราต่างคนต่างก็มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะโดยวิธีนี้พ่อก็ไม่พลาดและผมก็ไม่พลาดฉะนั้นเมื่อเราแต่ละคนดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดคนอื่นก็ได้รับการดูแลด้วย เมื่อเราปกป้องตัวเองอย่างดีที่สุดคนอื่นก็ได้รับการปกป้องด้วยเอาอย่างนี้ดีไหมพ่อพ่อบอกเออเยี่ยมเลยลูกพระพุทธองค์ทรงนำเรื่องนี้มาเล่าแล้วก็บอกว่าการเจริญสตินั้นเราทาที่เราแต่เมื่อสำเร็จผลแล้วคนอื่นก็ได้รับอานิสง์ด้วยในครอบครัวหนึ่งถ้าพ่อมีสติพันธาตมีความสุขไหมมีความสุข ถ้าสามีเนะืมีสติภรรยาก็มีความสุขถ้าภรรยามีสติสามีก็มีความสุขถ้าลูกมีสติพ่อแม่ก็มีความสุขในบริษัทหนึ่งถ้าเจ้านายหรือผู้บริหารมีสติพนัก ง, งานทุกคนก็มีความสุขถ้าผู้บริหารขาดสติลมเพลมพัดผีเข้าผีออกองค์ลงประทับประจําเลยเข้าประชุมแต่ละครั้งเนื่อรู้สึกเหมือนว่าจะมีการสั่งประหาร ้องสีอเมทิสแพยไปทั่วบรรยากาศการทางานก็จะตึงเครียดและไม่มีใครมีความสุขฉะนั้นคนหนึ่งคนที่มีสติก็จะเป็นหลักประกันถึงสันติสุขของคนอื่นๆนี่แหละเราทุกคนจึงเป็นหลักประกันแห่งสันติภาพในทัศนะของอรตมาภาพนะอาตมาเชื่อว่าสติเป็นรากฐานของสันติเมื่อเรามีสติอยู่ในเรือนใจเนะี่ย วาจาของเรานะไม่ทำร้ายใครมือเท้าของเราไม่ทำร้ายใครแต่ถ้าเราขาดสตินะวาจาของเราเนี่ยคมยิ่งกว่าหอกนับร้อยเล่มพันเล่มมือเท้าของเราเนี่ยก่อให้เกิดความรุนแรงได้สุดที่จะประเมินประมาณได้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อใจของเธอสันติ วาจาของเธอก็สันติและกายของเธอก็สันติผู้ที่กายวาจาใจมีสติบุคคลเช่นนี้เราเรียกว่าสันติบุคคลแปลว่าบุคคลผู้เป็นหลักประการแห่งสันติภาพหรือบุคคลผู้เป็นพลังงานแห่งสันติภาพหรอเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสันติบุคคลฉะนั้นเราทุกคนนี่แหละเป็น ผู้สร้างสันติภาพให้กับโลกและตัวระเวงก็คือโลกด้วยนะเอาแต่ละคนก็เป็นโลกหนึ่งใบถ้าโลกแต่ละใบแต่ละใบมีสติโลกใบอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆเราก็มีสันติเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นสันติภาพของโลกนี้ไม่อาจฝากไว้ที่องค์การสหรประชาชาติไม่อาจฝากไว้กับนาโต้ไม่อาจฝากไว้กับ องค์กรชื่อหรูๆทั้งหลายซึ่งเราเคยได้ยินนะแต่ฝากไว้กับเราทุกคนอาจารย์ขอเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องของคนที่ไม่ได้อยู่ในปัจจุบันขณะมีผู้หญิงคนหนึ่งมีชีวิตยอยู่ในยุคสมัยก่อนพวกเราเลยทํางานอยู่ที่บ้านของผู้มีอันจะกินคนหนึ่งเธอเป็นแม่บ้าน เธมีโทรศัพท์สามเครื่องนะผู้หญิงคนนะี้พอคุณนายออกจากบ้านไปทํางานเธอก็เรียดผ้าซักผ้าอบผ้าเรียดผ้าทําอย่างเงี้ยทําทั้งวันเพื่อนเพื่อของเธอก็โทรศัพท์มาเดี๋ยวเจ้านายก็โทรมาเดี๋ยวคนนั้นก็โทรมาเดี๋ยวคนนี้ก็โทรม า, ว, นนรมาวันหนึ่งขณะนี้กำลังเรียดผ้านั้นโทรศัพท์ก็เข้าบ่อยมากเรียดผ้าอยู่ดีๆโทรศัพท์ก็เข้ามาเธอก็หยิบฮัลโหลแล้วก็วาง รียกต่อเดี๋ยวมาอีกสายหนึ่งละฮัลโหลวางเรียกต่อเรียอยู่ดีๆมาอีกสายหนึ่งละฮัลโหลวางรียกต่อแล้วทันใดนั้นก็มาอีกสายหนึ่งคราวนี้เธอหยิบตะลิตแนบแก้ม <c oughs> ไม่ทันได้ฮัลโหลร้องโอ๊ยออกมาเลยทีเดียวนี่คนที่ไม่อยู่กับปัจจุบันขณะ <c oughs> เห็นไหมในชีวิตรจริงๆนะมีคนทําอย่างนี้เยอะมาก คือไม่ตื่นดูอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะฉะนั้นเราทุกท่านทุกคนเนี่ยสามารถตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะในชีวิตของเราการที่เรามาฝึกตรงนี้นะที่นี่นะเป็นการฝึกเอาเทคนิคแต่เวลาปฏิบัติจริงต้องปฏิบัติลงไปในชีวิตเรานะไม่ได้ปฏิบัติในวัดนะเจริญสตินะเรามีชีวิตอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติที่นั่นแหละแล้วปฏิบัติยังไงอ่ะปฏิบัติลงไปในชีวิต ตั้งแต่ตื่นจนหลับตื่นมาเราควรทำอะไรดีตื่นมาปั๊บหลายคนก็ลุกพรดเ้าห้องน้ำเลยใช่ไหมแต่ถ้าคนที่มีสตินะพอตื่นมาปับนะ๊บเขาจะกลับมาตามดูลมหายใจก่อนอาจจะนอนนอนอยู่แล้วก็ดูลมหายใจสักห้านาทีหรือจะลุกขึ้นมานั่งบนเตียงแล้วก็ดูลมหายใจห้านาทีจากนั้นไปลัางนะ ระหว่างล้างหน้านี้เจเริญสติได้ไหมตักน้ำมาล้างหน้ารูปหน้านี้ตื่นรู้อยู่ที่ใบหน้าแปรงฟันตื่นรู้อยู่ที่การแปรงฟันอาบน้ำระหว่างที่น้ำไหลจากหัวเจรต์เท้ารูปไหลไปตามลำตัวพรุกนี้เช้าทุกคนต้องทำนะหรืคืนนี้ใครยังไม่ได้อาบน้ำเดี๋ยวทำนะ รูปไหลไปตามลําตัวนึ่ก็ตื่นรู้ไปด้วยนะอาบน้ํำชาระสะสงกายเนี่ยตามดูตามรู้ไปเสร็จแล้วเช็ดเนื้อเช็ดตัวก็ตื่นรู้ดูการเช็ดเนื้อเช็ดตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าเสร็จแล้วมาแต่งตัวเลือกเสื้อผ้าก็เจริญสติไปนะเจริญสติเลือกเลือกเลือเสร็จแล้วก็เอามาสวมคนมีสติกลัดกระ ด, ด, ดุมก็ไม่ผิดแม้รหรอก นะจากนั้นก็ถ้าผู้ชายก็คาดเน็กทายก็ดูตามดูตา ม, ตามรู้ไปจากนั้นมันนั่งที่โต๊ะกินข้าวตาข้าวเข้าปากแต่และช้อนถนกรู้ทุกๆคําเกินดื่มน้ำํำถานารู้ทุกๆการเลือดไหลของน้ำจากนั้นขึ้นรถนะก่อนจะขึ้นรถก็เจริญสติไปยืนอยู่หน้าประตูรถนั่น อย่าเพิ่งเปิดพวนะ่วเนอะเอื้อมมือไปจับประตูใช่ไหมจะเดิญสติก่อนแล้วดึงเปิดเบาๆจากนั้นติดเครื่องแล้วก็อย่าเพิ่งขับพรวดออกไปกลับมาอยู่กับลมหายใจก่อนตามดูตามรู้ลมหายใจจะเดินสติว่าเรากับรถรถกับเราเป็นส่วนหนึ่งที่ถึงกันนะถ้าเราขับดีรถเขาก็ปลอดภยัย เรากลับไม่ดีทั้งคนทั้งรถก็ไม่ปลอดภยัยนึกถึงอกเขาอกรถ น, ะน่ะเคยได้ยินไหมก <c oughs> ับรถสูงศาล ร, รถบ้างอกเขาอกรถเพราะเวลาจะชนอะไรในรถมันชนก่อนเราใช่ไหมเคยเข้าใจเขาไหมลูกไปที่พวงมานะลัยนะลูกพ่อวันนี้เราจะไปทางานด้วยกันนะลูกนะดูแลพ่อดีๆนะลูกนะพ่อก็จะดูแลลูกดีๆนะ จากนั้นก็ขับไประหว่างนั้นถ้าติดไฟแดงอย่าเพิ่งไปบีบแตรไล่ใครอันตรายวันก่อนรถอัตามาภาพไปติดอยู่ทางด่วนย ม, มาราชอะ่ะโอโ้โหโชเฟอร์บีบแตรดังลั่นเลยคนหันมามองเป็นตาเดียวอัตามานี้ขนลุกขนพองเพราะคนไม่รู้จักโชเฟอร์แต่รู้จักเราใช่ไหมเดี๋ยวหาว่าเราบอกให้บีบอีกจะพากันเดือดร้อนประประฉะนั้นตอนที่รถติด เราก็กลับ ม, มาดูลมหายใจของเราได้แต่อย่าหลับตานะเดี๋ยวรถคันอื่นไปหมดเราแช่ยอยู่คันเดียวเนี่ยพอไปถึงที่ทำงานเราเจอใครเป็นคนแรกอย่าทำให้คนที่เจอเจ็บเจอปุ๊บนึกในใจโสติเตโหตุสัพพธาแผ่เมตตาให้เับยิม้มแลกรอยยิ้มกันจากนั้นไปที่โต๊ะทำงานดึงเก้าอีก้ออกมานั่งหลงตามดูลมหายใจ อ่าเปิดคอมพิวเตอร์ก่อนจะออนไลน์ก็ตามดูลมหายใจเป็นออนไลน์เมดิเทชันเห็นไหมจะตอบอีเมลแต่ละคำก็เลือกเลือกอย่างดีที่สุดที่จะเขียนคำอะไรลงไปคำหนึ่งคำที่จะคลิกส่งนะ่มันยิ่งกว่าขีปนาวุธนะแต่ถ้าเราเขียนอย่างดีเลือกอย่างดีนะมันก็เป็นช่อดอกไม้ใช่ไหมนี่หลายโยมทั้งหลายเห็นหรือยังว่า การเจริญสติกับชีวิตมันแยกจากกันได้ที่ไหนรวมเอาการเจริญสติใส่ลงไปในชีวิตในทุกๆอิรยาบทถ้าพวกเราทําได้อย่างนี้ต่อให้ไม่ใส่ชุดขาวการเจริญสติการเจริญสติก็อยู่ในชีวิตของเราทุกคนอันนี้เรื่องอีกอย่างหนึ่งว่า N อ็นเกจบุรีสมแปลว่าพระพุทธศาสนาที่เข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันฉะนั้นการเจริญสติที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ในวัดแต่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเอาละอันเนี้ยอารามพระ บ, บทให้รู้ไว้เอาก่อนจะนอนคืนนี้นั่งนิดหนึ่งเนี่ยฟังทฤษฎีมาหมดละอะ่ต่อไปลองทำดูอ่ทุกคนนะอะ่อยู่ในท่ามาตรฐานเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดารงสติให้มัน่น เมื่อกลางวันพาทำอีกแบบหนึ่งคือแบบนั่งนิ่งไปเลยคืนนี้จะพาทำอีกแบบหนึ่งคือให้ฟังเพลงก่อนหนึ่งรอบเพลงนี้จะเป็นเม t a t i o n s สองคือคู่มือการเจริญสติโดยตรงนะทุกอย่างที่ควรจะทำพระอาจารย์เขียนไว้เป็นเพลงแล้วก็เอามาร้องยมนั่งฟังไปทบทวนไปทำตามไปพอเพลงจบปับ๊บยมก็ น, นั่งต่ออีกสักห้านาทีเพลงมันสั้นมากนะ เมื่อเราออกจากคอร์สนี้ไปโยมเอาเพลงนี้ไปทุกคนใส่ไว้เป็นบริณฑรใส่ไว้ในรถใส่ไว้ที่บ้านตื่นเช้ามาเปิดเพลงนี้แล้วยมทําตามนั้นรับประกันได้ว่าจะสดชื่นรุ่นเย็นทุกวันแล้วพอได้ยินปุ๊บเหมือนเป็นระคังแห่งสตินะอ่ะก่อนที่เพลงจะมาเราจัดการกับอิรยาบถของเราตบเรื่องสติก่อนเอาละอ่า ตั้งใจให้ตรงดำรงสติให้มั่นนะเอาละพอจัดการกับมือซ้ายเราสิทาในความเงียบนะเป็นเรื อ, อยังลูกออันเชิญมือซ้ายขึ้นมาเงียบๆด้วยความรู้ตัวเคลื่อนมาตรงกลางหน้าตักช้าๆด้วยความรู้ตัวงายขึ้นช้าๆด้วยความรู้ตัว วางลงช้าๆด้วยความรู้สึกตัวอันเชิญมือขวาขึ้นมาช้าๆด้วยความรู้สึกตัวเคลื่อนมาตรงกลางหน้าตากช้าๆด้วยความรู้สึกตัวหงายขึ้นช้าๆด้วยความรู้สึกตัว วางลงช้าๆด้วยความรู้สึกตัวยืดหลังให้ตรงเวมนหลังพระประธานเพื่อเลือดลมจะได้เดินสะดวกอกภายไหลผึ่งคอตึงหน้าตั้งหลังไม่งอคอไม่งุม้มหลับตาลงเบาๆตระหนกรู้ที่เปลือกตาของเรา กลับมาอยู่กับลมหายใจสบายๆให้ลมมันไหลสบายๆเริ่มเข้าสู่สมาธิ อยู่เคียงทางฉันนั่งให้สบายผ่อนคลายชีวันในปัจจุบันยัดยงตรงนี้ลมหายใจเขา